วันนี้เป็นวันพระขึ้นแรมส5ห้าค่ำเดือน1ิสองปีส6เป็นวันพระใหญ่พวกเราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์อย่างวันพระทุกครั้งที่ผ่านมาแล้นก็ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากเทพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขององค์หลวงตาแล้วก็ร่วมกันนั่งปฏิบัติธรรมภาวนา มันก็แยกย้ายกันกว่าอันนี้ถือเป็นสาธารณพิธีก็ใช่ทํากันร่วมกันกิจกรรมร่วมก็ใช่เป็นการฝึกสําหรับผู้ไม่เคยถ้าว่าผู้เคยแล้วก็ไม่จําเป็นเมื่อได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าท่านยังไม่เคยมันก็ต้อง เริ่มทำอย่างนี้ก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นการบังคับในตัวเสร็จเพราะนั้นการทากิจกรรมร่วมกลุ่มมันก็เป็นผลดีสำหรับเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่แต่สำหรับผู้เริ่มเก่าไปแล้วก็เป็นการาลำคาญเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็เราก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมถ้าเราจะทำแต่ส่วนตัว เราไม่คิดถึงส่วนรวมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรวมกันในการมาไหว้พระสวดมนต์จากนั้กนก็นั่งภาวนาร่วมกันเจ็ดวันก็จะมีการพบเจอกันครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือกิจกรรมร่วมของแต่ละวัดไม่เหมือนกันวัดแต่ละวัดเนี่ย ก, ก็การกระทําอย่างนี้ก็บางวัดก็มีบางวัดก็มีแต่ทำวัดแล้วก็จบกลับ แต่ว่าเราทวัดทุกวันอันนี้เป็นต้นนะทางวัดของเรานี่ก็เนี่ยทุกวันพระทำกิจกรรมร่วมไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็นั่งภาวนาฟังเทศการแสดงธรรมจากเทปของครูบาอาจารย์อย่างที่ได้กล่าวกับโยมฝรั่งต่างประเทศที่มาพัก้างเกือบเดือนมนที่กลับไป แนวแถวของสายองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยการสอนสอนลักษณะเหมือนมหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่สอนแบบมหาวิทยาลัยปิดวิทยาลัยปิดเนี่ยต้องสอนทุกวันแนะนำนักศึกษาทุกวันแต่สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าเข้าคอร์สท่านอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไร พวกเรารับรู้รับทราบแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงตัวเองเดินโยกรมนั่งภาวนาอย่างไรท่านสอนแล้วเราก็นําไปประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนามากน้อยแค่ไหนเราต้องบังคับตัวเองแต่ที่อื่นๆนั่นบางทีเขาเข้าคอสเจ็ดวันตอนเช้าทานอาหารตอนนั้นนั่งสมาธิตอนนั้นเดินยงกรมตอนนั้นสวดมนต์ไหว้พระ นี่เขาจะเป็นตารางของเขาสายของหลวงปู่บาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่ามีกฎเกณฑ์ว่าถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามเดินไปที่ไหนนั่งที่ไหนให้มีสตินี่อันนี้คือหลักกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่กูบาจารย์ท่านชี้แนะชี้นำถึงจะเดินย่างกลมถึงจะไปไงที่ไหนก็ให้มีสติการมีสติคือการ ระเวียงระวังตัวอยู่เสมอทำสมาธิอยู่ในตัวเสมอถึงจะไม่ว่าสมาธิมันก็เป็นสมาธินะ่ะถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วนั่นคือแนวแถวของสายหลวงปู่ปู่บายอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านไม่ได้จําจี้จำชัยท่านม่ได้จับมานั่งสมาธิท่านไม่ได้สอบอารมณ์ท่านมีจะบอกอย่างนี้อย่างนี้มีปัญหาอะไรมาถาม แต่โดยมากมันไม่ค่อยได้ถามเพราะมันปฏิบัติไม่ถึงอย่างที่ท่านพูดไว้ว่าะงั้นท่านพูดไว้ลงนาไว้ก่อนแล้วเราปฏิบัติยังไม่ถึงเลยไม่มีใครถามท่านเพราะงั้นนี่แหละคือสายของกูบาลอาจารย์ที่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติเพวัะ น, นั้นบางกลุ่มที่นั่งจําเจที่นั่งภาวานาเป็น ตารางขึ้นมาไม่เจออยู่พวกเราเนี่ยเหมือนกับพวกเราไม่เดินโยกมไม่นั่งภาวนานะไม่ปฏิบัตินะแต่ตามไม่จริงบางองค์อาจจะเป็นอย่างเขาว่าก็ได้ว่างั้นแต่แต่บางองค์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านเชื่อแนวแถวของครูบาอาจารย์ท่องปฏิบัติแต่ถ้าว่าท่านองค์ที่บวชเขามานานต้องมีหลักเกณฑ์ของท่านอยู่ป่าอย่างนี้ถ้าท่านไม่มีหลักใจมันอยู่ไม่ได้ ท่านต้องมีหลักใจของท่านต้องมีจุดยืนของท่านเอ่อต้องมีหลักที่ว่าท่านจะต่อสู้ของท่านมีอยู่ในใจเนี่ยท่านจึงจะอยู่ได้ทาไม่งั้นอยู่ไม่ได้เลเน่ยมันทุกข์กระต่ําลําบากไม่ได้แต่ถ้าว่ามีหลักยืนของหลักธรรมอยู่ในใจแล้วใจมีหลักพอสมควรแล้วเนี่ยมันจึงจะอยู่ได้เนี่ยใจไม่ร้อนผ้าเหลืองไม่ร้อนมันงั้นแต่เแต่ถ้าว่า ใจมันร้อนสี่อย่างเดียวท่านนะ่ะจะเอาเชือกเอาอะไรมาลังกก็ไม่อยู่โจรเลยบางอันจะเนี่ยอันนี้คือที่อยู่ของเครื่องอยู่ของพระก็คือนี่แหละภาคปฏิบัติแต่โยมฝรั่งเขาบอกว่าที่เขามาอยู่ใหม่เขารู้สึกว่าอันนั้นแต่เขาสู้ไม่ไหวเพราะการเป็นอยู่ของเขาเนี่ย ก็ไม่คิดว่าจะลําบากถึงขนาดนี้ทานอาหารมื้อเดียวลักษณะอย่างนั้นน่ะอแล้วก็คงจะมีความคิดอะไรแปลกแตกต่างเอพูดภาษาไม่ได้อย่างที่ว่านั้นน่ะสรุปแล้วก็คือคงจะบ้าเวีอ้างว้างเอาเงียบเหงาพออยู่ที่นี่มันไม่ได้ยินเสียงอะไรวิทยุโทรทัศน์เสียงขู่เสียงคนอมันมีแต่เงียบ ถ้าไม่ปฏิบัติมันอยู่ลำบากเหมือนกันนะแต่ถ้าว่ามาใหม่ๆมันก็ดูเออดูดีวาอยู่สบายแต่พออยู่ไปนานๆเข้าไปมันไม่สบายเลยมันกลับวุ่นวายในจิตในใจกลับปุงฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตในใจสังขารมันปรงแต่งในใจทำให้จิตใจออว้าวอ้างว้างไปอีกออลักษณะอย่างนั้นฝุดท้งนี้ทางนั้น เอาหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวประกันเลยว่านะหลวงพ่อเนี่ยเคยไปอยู่ในป่าแต่บางครั้งเราไปอยู่ในป่ามันก็ดีสงบสงัดดีภาวนาได้ดีเอ่แต่บางครั้งออ่มีครั้งหนึ่งที่มันเพราะหดจริงๆนะจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้อืแต่ก็เคยภาวนามาแล้วนะเคยไปภาวนามาผ่านมาแล้วแต่ปีนั้นออกไปอีก ออกไปทุดงอ่าไปอยู่ที่ภูเขาในระหว่างจังหวัดจกลคนครกับกาลสินเอเรียวบ้านลุบเรา่เอาอ่ไม่ใช่ลุเราวางแค่นะเป็นบ้านลุบเรา่เาทานั่นเขาเรียกว่าทำทาซ่อนของเหมือนนเถอะอาภาษาอีสานว่าทาเื้องของ เ, อเสืองแปลวลี่นี่งสไปของโมรําโมราน เขาได้ขอมาเขาไปเก็บไปซ่อนเอาไว้แล้วไปทาซ่อนของ เ, อเป็นถ้ายาวาสลับซับซ้อนเหมือนกันเอะเราไปก็ไปหาวิเวกเข า, าอยู่ได้เลยพาไปดูโอ้ดูถ้ายาวเราก็ไปภาวนาทีเลยน้ำก็ลำบากไปเลยนะน้ำมันลงไปเอาข้างล่างตีนเข า, เาบินทําบาดเกือบสี กิโลนะสามกิโลกว่ากว่า ต, ตื่นมาแต่เช้าออกเลยเพราะงั้นพอบินธาบาเสร็จแล้วก็มาฉันในตีนหมู่บ้านเขาองคเดียวเลยแต่มาฉันในบินธาบาในตีนหมู่บ้านเขาเอาโยมมาบอกว่าเออจะมาจะไปฉันที่ตีนหมู่บ้านเขาก็เอาเสือเอาอะไรมาแล้วก็มาวางแล้วก็ฉันพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรลบาทเสร็จแล้วก็ตับพายบาทขึ้นเขาถ้าเราจะเอาข้าวมาบางทีเอาข้าวมามันหนัก เอามาแล้วไม่รู้จะให้ใครอีกเท่าเสียข้าวเพราะงั้นเวลาคนใส่บาทก็คนใส่บาทมากอยแ่โดยมากเป็นตะข้าวเหนียวไปั้นมีอะไรก็ฉันนั่นันเสร็จแล้วกบพายบาดขึ้นเขาเลยองค์เดียวเราอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่านี่น่ะต่ก่อนก็สบายภาวนาสบายไม่มีอะไร แต่วันนั้นมันแปลกใช่ไหมมาพูดถึงวันมันแปลกว่า ง, งั้นเถอะพอสันจังหารเสร็จแล้วไปเอาขึ้นบาตไปวางเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ไปเดินยืนกลม <c oughs> <c oughs> เดินยืนกลมซะก่อนมันลําพังอยู่องคเดียวเนะี่ยเดินยืนกรมเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาพอมานั่งภาวนาก็มานั่งในมันเป็นหินอยู่ในถ้ำมันก็เป็นชงอนหินขึ้นมาเอาผ้าปูเสีกมานั่ง ภาวนาพอนั่งเอ๊ะมันม ง, ง่วงกวะ่ะอยากจะหลับอกลางวัน่ะพอ ง, ง่วงกันแล้วก็เลยเอไปพักที่กุฏิเป็นกุฏิไม่ใช่กุฏิเราปิดพื้นไม้ไผ่ฝาไม้ไผ่ประตูก็แบบชักชักไปชักชักรูดเอาไวอนะอแล้วก็ชักรูดปิดอแล้วก็นั่นแหละเราก็ไปพักที่นั่นหลังคาก็เป็นถ้ำเป็นหินหมางัน้นแค่ไปภาวนา พอเคลิ้มเิมหลับกำลังจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะว่าไม่หลับก็ไม่ใช่พอเคลิ้มเคิ้มมันสะรุ่งปึ้งขึ้นมาเลยสะรุ่งปึ้งกเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้วะใจมันร้อนปั๊บปั๊ๆปบั๊บปัเอ้าวทาไมตะกอนเวลาภาวนาพุทโธกําหนดพุทโธมันจะอยู่นิ่งเลยเด้แต่วันนั้นมันแปลกพอนั่งภาวนากําหนดพุทโธไม่อยู่อ้าว ลงไปเดินเดินขาขวาพุทขาซ้ายโทพุททบมันก็ไม่อยู่มันร้อนอยิ่ง ใ, น ใ, นใจบห ว, วบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเอเออ้าวทาไมใจมันเป็นอย่างนี้วะทําไมาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอย่างนี้วะจนถามว่าตัวเองอยจะสึกไหมเหมื่อปานนั้นวนได้เนีอยาะไม่ไม่มีแล้วจะทํำยังไงมีิจะคิดถึงครูบาอาจารย์ในช่วงนั้นนะ่ะ เออท่าว่าครูบาอาจารย์ถ้าเราถามท่านนึ่งท่านคงจะแก้ปัญหาหัวใจเราได้แต่ใจของเราทําไมเป็นอย่างนี้วะมันมันทําไมมันร้อนในใจของเราเนออี่อมันจะไมมันไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันลักษณะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเออมันมองคล้ายๆกับถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราไปอยู่กลางมหาสมุทรทะเลอย่างนั้นอ่ะมีเรือลําเดียวมีแต่เราคนเดียวอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งเราจะพิพึ่งพาอาศัยใคร เราจะพึ่งใครเราจะไปอาศัยใครเอเราจะต้องการอะไรอย่างนี้มันไม่มีที่พึ่งเลยว่างั้น่มองมันเหมือนกับเราอยู่กลางมหาสมุทรอย่างนั้นมันว้าวี่มันอ้างวางมันเงียบเหงาในจิตใจว่างั้นแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันร้อนทึงนี่ใจของมันมันร้อนด้วยมันพุดเออถ้าจะเปรียบเทียบเวลาเอาสมาธิเข้าไปจับนี่มันเหมือนกันน้ําที่มันไหลน้ําก๊อกแรงๆที่มันไหลเราเอาฝ่ามือปิดๆอย่างนั้นะ มันปิดไม่อยู่เ อ, อ่มันพุ ด, พดมือเนี่ปัดออกเลยเพรางนั้นแต่จิตใจนะ่ะเหี่ยวเหี่ยวอับเฉาร้อนเอนอนไม่หลับกลางคืนเน่นอนไม่หลั บ, นนนลบเดินยังกลมก็ไม่อยู่ อ, อนี่จะคิดถึงครูบาอาจารย์อ๋อทำอยังไงถ้ามันเกิดที่นี่เราต้องบังคับให้มันอยู่ที่นี่เอาให้มันอยู่ มันทำไมมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดที่ไหนมันต้องดับที่นั่นความคิดเริ่มขึ้นมานะมันเกิดที่ไหนต้องดับที่นี่ให้ได้มันทำไมเป็นอย่างนี้ใจของเราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจากนั้นก็ไปบินทบาทมาฉันมาเลยยังกรมมันก็ไม่อยู่นั่งภาวานาก็ไม่ได้นอนมันก็ไม่หลับโอ้ตั้งหลายวันเลยแต่วันนั้นก็ไปบินธบามาเสร็จแล้วตัวนี้ออกบาดขึ้นมาวางไม่ถึงกุฏิเลยมาวางในศาลา ที่ฉันยังหาน่ะบางไปเสร็จเรียบร้อยก็ลงเดินยังกรมเลยบาทเลยไม่ได้พักพ่อนนะมันกันแต่มาจะบินธบามาแล้วก็ตั้งบาทเสร็จเรียบร้อยเลยไปลงไปเดินยังกรมแต่เดินยังกรมขาวนี้ไม่เดินอยู่ในถ้ำเดินยกออกไปเดินข้างนอกนอกถ้ำทางเดินบินธบานั่นอ่ะทางบินธบามันบางช่วงมันเป็นทางลาบไปเลยมันมีบ้านนอกแถวนั้นก็เรียกพุ่มเซี่ยวต้นเซี่ยวนะมันเป็นพุ่มดี แล้วก็ใบมันร่วงหล่นเป็นบางครั้งว่า ง, งั้นเถอะช่วงเดือนกุมภาพันธะ์ใบกำลังจะหล่นเนี่ยมันแต่ก็ยังมีล่มอยู่เราก็เดินเลยปัดกวาดเสร็จแล้วก็เดินเลยมั่นนะขาขวาพูดขาซ้ายบังคับเลยว่า ง, งั้นเถอะให้มันอยู่กับตัวเองเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธโธเออบังคับให้อยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองโ อ, อช่วงนั้นก็คงจะบานสัก เ0้าโมงสิมงเมื่อวานสัก10บโมงเลมั้งสิบโมงเช้าพอเราเดินมีตบัตรกลับมามาฉันจันแล้วขึ้นมากับคนถึงที่ประมาณสัก10 0โมงเดินเดินไปจนถึงบ่าย 3- ามสี่โมงนเดินยุ่งกุมพุทธโธพุทธมังคับอย่างนี้เงือกแตกคือเงือกกระแตกอยู่เแดดมันก็มันจะถึงร้อนก็ไม่ใช่มันก็เกือบจะร้อนนั่นแหละเพราะใบใบม้มันร่วงเดินกุมภาจากนั้นก็เดินพุทธโธพอีพอเดินพวกเหมือนกับขามันหยุดกึนั่นแหละ และมีคำพูดขึ้นมาในใจเลยท่านเลยมันพูดขึ้นมาในใจก็ว่าจะว่าเป็นคำพูดใช่ไหมันพูดมาเออมันพูดเป็นภาษาพ่อคุณลามได้ว่างั้นเด้อเออเออมันพูดไปเป็นภาษาพ่อคุณลามกําแหงว่างั้นแด้อเออมันพูดขึ้นมาว่ามึงเออจะว้าเวอ้างวางไปทําไมมันถามขึ้นมาเออมึงจะว้าเวอ้างวางไปทําไมกรรดีกําชั่วใครเป็นคน ท, ทค that, ํา มึงทำเองไม่ใช่เหรอถ้ามึงทำกรรมดีมึกกรรมดีก็ต้องสนองต้องไปเกิดในที่ดีถ้ามึงทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ต้องสนองมึงก็ต้องไปในที่ชั่วเพราะนั้นมันจะว้าวไปหาอะไรมันอยู่ในตัวหัวใจของเราทั้งหมดแล้วมึงก็ต้องทำแต่กรรมดีสิอย่าไปทำกรรมชั่วสิเออมันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองสิเอีอ มึงจะไปว้าเวทําไมพอพูดจบปุ๊บลงไปโอ้โหจิตใจเออมันเหมือนกับโยนไอ้ที่ว่ามันร้อนๆที่กับว่ามันวุ่นวายทิ้งตึงลงไปจากหัวใจแล้วมันจิตใจปลอดปร่งจิตใจอาถรรพ์ในช่วงนั้นมันงั้นเถอะเอะเดินโยกมันวิ่งเลยมันงั้นถเถอะวิ่งคนเดียวในป่าวิ่งเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ บ, ปบ อกอไม่ไ ด, ด้เดี๋ยวเขามาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าแน่ๆวะวะอะไรหยุดเถอะนี่ห ย, ยุดก็มาลำพึงนี่ะมันทําไมสังขารในช่วงนั้นเลยสังขารมันเป็นสังขารภายนอกเด้อันนี้สังขารภายในคือความปรุงแต่งครับว่าสังขารเหมือนกันสังขารของเรามันทําไมมันปรุงแต่งถึงขนาดนั้นวะโอโหจิตนี่มันน่ากลัวจริงๆนะมันตลบตะแลงมันหลอก มันล่อจริงๆมันน่ากลัวจริงๆนะเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะเล่นงานเราถึงขนาดนี้มันทําไมมันเล่นงานเราถึงขนาดนี้ได้วะมานั่งคิดอยู่ว่างั้นเอะเออแต่เมันค่อยๆว่ามันมันมันมันพอปรงตกลงไปแล้วมันยังค่อยดึกได้เพราะฉะนั้นเรามาเห็นคนที่เอมาคิดปรุงฟุ้งซ่านที่ไปอยู่ในที่สงบสงัดแล้วเราก็คิดถึงอิหลอบของเราตรงนั้นเถอะที่เราเคยเจอมาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันคงจะเป็นอย่างที่เราเป็นมาก เออเอแต่ถ้าแก้ไม่ตกนะโอมันไม่ได้จริงๆนะเออพอแก้ตกขึ้นมาแล้วเออเย็นสบายเลยเออตั้งแต่มันมาไปอยู่ที่ไหนไหนมันก็ดูได้เลยมันเชื่อตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเออกรรมการกระทําของตัวเองเน่ยทีนี้จากนั้นก็มานึกทบทวนในเรื่อบาดเนี่นึกทบทวนอีกททไปอยู่ที่นั่นโอ้ยอยู่นานนะเออเกือบเดือนสองเดือนนึกทบทวเนเอ ก่อนที่มันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นมานี่มันเกิดด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยปัหาอะไรด้วยบาัามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในช่วงนั้นเราคิดเรื่องอะไรก่อนก่อนที่เราจะนอนนะเราคิดเรื่องอะไรกำลังที่เราจะหลับนะั้นมันมีไปกระทบไปฝันถึงอะไรหรือมันมีเรื่องอะไรกระทบในช่วงนั้นหรือเปล่า <S <S ใกล้เค้าเรียงลาดับว่างั้นเถอเรียงลาดับเหตุการณ์ ที่มันเกิดอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในใจเอีหาเหตุมันมางั้นเถอพอไปถึงมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเพราะเช่นพักผ่อนก็จะนอนนอนก็ไม่ได้ฝันถึงอะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรนิมิตอะไรขึ้นมาแต่ทําไมมันมีอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก่อนที่อารมณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันนอนแบบสะตุ้งขึ้นมาแบบแรงเนีมันผิดปกติมันสะดุงปังเลยงั้นแหละพราะปังขึ้นมามันปั๊บๆๆๆๆๆเลยเอออารมณ์มันขึ้นมาเลย เออสังขารมันปรุงมันเอาไม่อยู่เลยท่านนี่เออมันล้งางไม่อยู่ล้างโดยสมาธินี่ยล้งางไม่อยู่ว่างั้นเถอะเออตอนี้พอไปเดินยังกรมเนี่ยบังคับตั้งแต่พุทโธพุทเรจนมันพุทขึ้นมาจากในใจจะว่าปัญญาเกิดขึ้นกคงจะใช่กระมังเออคล้ายๆว่าความรู้ขึ้นมามันให้พูดออกมาในตะกพ้อลงไปเหมือนกับมันวางภาระวางความคิดทั้งหลายทั้งปวงออกจากบ่าตเองเลยว่างั้นเถอะเออใจ เย็นสบายขึ้นมาในช่วงนั้นเอจากนั้นก็นำมาคิดมาพิจารณาทบทวนดูถึงีมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันะเออว่ามันสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรจากนั้นก็เลยมันอดน้ําในช่วงนั้นเอก็เลยลงไปที่อื่นก็เลยเดินมาทางมาอำเภอนาแก่แกนครพนมก็ไปเห็นว่าหลวงปู่ล่าท่านอยู่เคยอยู่ถ้ำพอเว็เราก็อื้อขึ้นไปอยู่กับขึ้นเคยไปอยู่ถ้าพอเว็ดดูหน้าไปภาวนาองค์เดียวดูหน้า เลยตื่นอยู่ไปทำเลยโอ้ไกลทำพอบเย็นสกิโลกว่าเนยเดินมาบินนบาตรปันแก่งเดินทางตัดปา่าลัดทุ่งมาเลยเจากนั้นเราก็อดอาหาร3วันบ้าง4ี่4วันบ้าง7วันวบ้างโดยมากก็ไม่ถึงนะ่ยประมาณ7วันเป็นอย่างมากสูงสุดพรเราอยู่ในป่ามันโ ก, โกโก้กาแฟมันไม่มีเลย ม, มีแต่น้ําแต่เราพยายามต้มน้ําฉันอยู่ตลอด น้ำต้องเป็นน้ำสุกว่างั้นเด็กพอกรองเสร็จเรียบร้อยก็มาต้มใส่กาอืมอย่แรกก็จะค่อยเอามาใส่กาไว้เก็บไว้เป็นน้ำสุกไว้ว่างั้นเด็เรากลัวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับมละเร็งมละเรียเกี่ยวกับท้องอพยายามฉันน้ำสุกแล้วเท่านี้นเราก็อยู่ในถ้ำพเวทองค์เดียวอดอาหารเป็นวันที่สามอแล้วก็เดินโยงกลมอในถ้ำองค์เดียวเ ด, เดินเดินเดินพอจิตสงบ เรื่องเข้าที่พอสงบพุทโธพุทโ ธ, ทธไม่ใช่สงบแบบนิ่งนะขนาดอุปจาระเนี่ยวนี่พอสงบเรียกว่าเรากน็นึกทบทวนดูว่าเอที่เรานั่งภาวนาเราอยูกำลังนอนในวันนั้นน่ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขณนะไหนวะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นขณนะไหนทำไมมันยัง มันทำไมจึงมีพิษมีสงฆ์ถึงขนาดนั้นเอยมันกำลังทบปวนหามันเนี่ยกำลังคน้นกำลังนึกทบทวนตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจอีกได้ปกขึ้นมาอีกได้เหมือนกันเถอะเนียมันพดขึ้นมาในใจอีกจะไปค้นหาทำไมอดีตมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วไปค้นหาทำไมถ้าไปค้นหาก็เหมือนกับ ไปค้นหาว่าวิญญาณเกิดมาจากไหนถ้าไปค้นหาเนี่ยลักษณะเดียวกันนั่นแหละวิญญาณเกิดมาจากไหนมันเป็นอจินไตรเออมันค้นหาไม่เจออืค้นหาทําไมพอว่าดังนั้นมันก็ทิ้งปุง๊ออกมาจากใจอีกเหมือนกันเหมือนกันเออเอีให้ค้าวบอกไม่ต้องคิดคน้นมันผ่านไปแล้วง่ายๆเออมันเป็นอดีตไปแล้วัะ จากนั้นมาก็เลยใจก็เบาระดับหนึ่งเมืเอ่อนั้นนี่แหละเนี่ยเรื่องภาวานาเนี่ยมันมีลหลายๆอย่างเนี่ยมัเกิดขึ้นมาในจิตในใจเนีแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยมีความคิดเนีแถวแนวอา่าหลายๆอย่างแต่สรุปแล้วก็คือให้สู้ว่างั้นเถอะอย่าไปถอยอถ้าถอยไปว่าแพา้ถ้าเราไปเจออย่างงั้นเข้ามาและพายกดเนึ่ง ตอกยอกตอกยอกแล้วมันึงลุจะไปที่ไหนแล้วว่างั้นเถอะเออแต่ถ้าเราสู้อย่างนั้นน่ะสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาเนี่ยสู้จริงๆว่างั้นเถอะเออสู้ตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตายเป็นตายว่ยางั้นเถอะเนี่ยยึดพุทธโทเป็นหลักมันเกิดที่นี่ต้องดับมันที่นี่มันจะไปที่ไหนวะมันทําไมยังเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทำไมมันแต่ก่อนไม่เป็นทําไมมันเป็นอยู่เนี่ยทําไมมันเป็นอย่างนี้อลย่ะเอาต้องเด็ดขาดเข้าไปนะผลมันก็ออกมาอย่าง ที่นั่นเป็นที่พอใจแล้วไปสันานที่ใดก็ใจก็ไม่ไม่มีอารมณ์ร้อนอย่างนั้นเหมือนั้นเถอะนี่ลหละมาเห็นโยมฝรั่งที่เขาไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็นำมาคิดมาทบทวนก็เลยมามาพิจารณาถึงตัวเองเอที่มันเคยเกิดเรื่องอย่างเนี้ยสังขารข้างในมันปรงแต่งบหมือั้นเถอะ อสังขารปรุงแต่งทางด้านจิตใจทําให้จิตใจว้าวุ่นเอทําให้จิตใจว้าเวอ้างว้างมันคิดไปหมดห่อกนั้นเถอะเพราะกิเลสเข้าไปหมุนอยู่ในนั้นเด็กกิเลสมันเข้าไปปรับปรุงไปคิดไปว้าเวอ้างว้างเนี่ยเราบอกตัวกิเลสแล้วนั่นเถอะตัวสังขารปรุงไปในทางที่ไม่ถูกต้องอืแต่เราตามไม่ทันนะ เราหักล้างไม่ทันนะเราไม่มีสติปัญญาหักล้างมันนะเราก็ต้องเป็นบ่อยมานวนะต้องตามหลังมันนะมันคิดพาไปเดิไหนก็ไปตามนะกว่าจะมารู้ได้นะโอยพอแรงแล้วว่า ง, งั้นเนีเพราะฉะ น, นั้นพวกเราทุกทุกทันนะอันนี้ก็คือวิธีการแนะนําหรือว่าพิธีการบอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ถ้ามีอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนะี่ยเราไปอยู่ป่าเขาลําเนาไพลไหน อยู่ในตีนแดนแดนใดก็ตามอยู่ในวัดกับครูบาอาจารย์ก็ตามต้องบังคับต้องรู้จุดของมันต้องให้หาเหตุผลมาหาักล้างให้ได้ต้องเอาชนะด้วยทำอย่าไปเอาชนะอย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกเอาชนะด้วยทมเอาธรรมเข้าไปลบล้างมันมั้งนั้นแหอะนี่แหละถ้าเราเอาชนะอย่างนั้นได้นั่นะนั่นแหละชนะตัวเองได้เล เลิศไปเสดว่างั้นเถอะแต่ขนาดเราสนะเพียงจิตใจเท่านั้นเองนะเราก็ยังเออสบายอืมจิตใจเย็นสบายเ อ, อระดับหนึ่งระเงันเถอะนี่แหละเพราะฉะนั้ น, ะ น, นเอเรื่องภาพปฏิบัติเรื่องจิตเรื่องใจนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉนั้นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านอบอกว่ามโนโปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าไม่มีใจสยอย่างไม่มีผู้รู้สียอย่างไม่มีผู้คิดสียอย่างร่างกาย เ, ยเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนจบแต่นีใจนั้นแหละเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะฝึกอย่างไรฝึกใจตนเองเถอฝึกหัวหน้าฝึกอย่างไอถ้าฝึกให้โง่ก็ง่ได้ถ้าฝึกให้นอนใจก็นอนใจได้ ถ้าฝึกให้ฉลาดก็ฉลาดได้เออเราจะฝึกยังไงเราจะเอาอะไรมาฝึกนะเอ่อถ้าฝึกให้เป็นโจรก็เป็นโจรได้ถ้าฝึกให้เป็นคนเร็วก็เป็นคนเร็วได้เออเราจะฝึกยังไงอ่ะเราจะจะเป็นคนดีใช่ไหมเอาความดีเข้ามาฝึกสิเออเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเข้ามาแล้วก็ น, นำมาประพฤติปฏิบัติสิ ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเหตุผลเป็นยังไงความถูกต้องเป็นยังไงอันไหนคือความถูกต้องอันไหนมีความไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาทบทวนมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามที่มันถูกต้องเป็นธรรมนั่นแหละเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปจิตใจของเราร่มเย็นเป็นถูกไปเรื่อยๆด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นการที่พวกเราจะอยู่ใน มนุษย์โลกวัะตฏะสงสารเนะี่ยต้องอยู่ด้วยบุญกุศลด้วยเหตุด้วยผลเนยะยังมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าไม่มีเหตุมีผลปกครองตอนเองมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหนะเนี่ยออกนอกรูน อ, อกทางประทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะี่มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นะเป็นฆรวาดก็อยู่ในกรอบของฆราวาดกรอบของฆรวาสคืออะไรก็คือศินห้า มีครอบครัวเตะแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยความบริสุทธิ์มันขยันอดทนถ้าเป็นพระเป็นผู้เสียสละมีผ้าตรสามพื้น เ, เป็นเบื้องตนอ้นจากนั้นก็รักษาศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคือนาทีของพระต้องแยกให้ออกคารวะา เราก็อยู่แบบฆราวาสอยู่กรอบของฆราวาสเป็นสั ม, มเนยก็อยู่ในกรอบของสัมมาเนยเป็นพระก็อยู่ในกรอบของพระอันนี้ก็ว่าอยู่ในหลักธรรมวินัยอยู่ในศีลธรรมถ้าพวกเรารู้จักกรอบรู้จักการประพฤติปฏิบัติตัวของเราแล้วนะไปอยู่ในสถานที่ใดก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ทางด้านจิตใจของตัวเองผูกเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องก็เป็นฉุขเพราะมีเหตุมีผลอยู่ด้วยกันนะนะวันนี้ก็ขอพูดจบเท่านี้นะนะแต่เรื่องภาวนากับพยายามตั้งใจภาวนาพอได้พูดมามากต่อมากแล้วนะ